ได้เล่าถึงอุบายของมาร น, นะที่ชอบมารังควานรบกวนผู้ที่ฝ่ายในการปฏิบัติธรรมไม่เป็นแม้กระทั่งพระพุทธเจ้านะบางทีก็มาหลอกให้กลัวหรือว่าชวนให้เขวชักนำไปในทางที่ผิดพลาดนะ ทั้งนี้เพื่อจะให้ผู้ประพฤติ ธ, ธรรมคลายความเพียรเพื่อจะได้ยังอยู่ในอำนาจของมารต่อไปก็คื อ, อยังตกอยู่ใน อ, อำนาจของกามอำนาจของกิเลสนะก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะที่น่าสนใจใ น, ในสมัยพุทธกาลอันนี้ก็นับว่าแปลกดีเหมือนกันเป็นปเรื่องของ ชายคนหนึ่งนะชื่อว่าสุรอัมพัทเป็นลูกเศรษฐีเดิมทีก็ไม่ไสนใจพระพุทธเจ้าหรือว่าศรัทธาในพระตนะไตรแต่ว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ดีพระพุทธเจ้าคงจะเห็นแววนะของชายคนนี้วันหนึ่งก็เลยเสด็จบินทบาท แล้วก็ไปยืนรออยู่ที่หน้าบ้านอันนี้เป็นธรรมเนียมนะถ้าเมืองไทยนี่คนสาบาตรจะมายืนรอพระนะแต่ว่าถ้าเป็นอินเดียนี่พระนี่จะมายืนรอโยมสุรัมพันธ์นี่เห็นพระพุทธเจ้าก็ได้ยินกิติศัพท์อยู่บ้างนะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเจ้าชายนะที่สละทรัพย์สมบัติออกบวช เป็นผู้ที่มีศรัทธานะในธรรมะก็เห็นว่าท่านเสด็จมาถึงหน้าบ้านแล้วนะก็น่าจะนิมนต์ให้เข้ามาในบ้านนิมนต์เข้ามาในบ้านแล้วก็ถวายอาหารที่ประณีตนะหลังจากนาั้นผูเจ้าก็แสดงธรรมก็พูดพูดไปถึงแสดงธรรมไปถึงนะความไม่เที่ยงนะของ สังขารความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็คือเรื่องตลักนั่นแหละสุรัมพัทก็พิจารณาตามไปก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อพระเจ้าเสด็จกลับเนี่ยมา น, นี่ก็เกิดความสงสัยหรือเกิดความหวั่นเกรงว่าสุรัมพัทเนี่ยจะจะเดินออกนอกทาง นะที่ตัวเองเนี่ยเคยกำหนดควบคุมก็อยากจะมาก็เลยจะพยายามที่จะมาชวนให้มีความหลงผิดมีความเข้าใจผิดนะในธรรมะก็เลยทำยังไงก็เลยปลอมตัวเป็นพระพุทธเจ้านะแปลงกายเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนนะมีทุกอย่างเลยรวมทั้งบาทด้วย แล้วก็มายืนอยู่หน้าบ้านของสุรัมพัทสุรัมพัทเห็นก็แปลกใจกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ผู้เจ้าก็เพิ่งเสด็จกลับไปแล้วทําไมกลับมาอีกไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้านะก็เลยถามว่าพระองค์เสด็จกลับมาทําไมมาในคราบของผู้เจ้าก็บอกว่าที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะเพลินพูดผิดอยากจะมาพูดใหม่ ก็คือที่คืออยากจะพูดว่าจริงๆแล้วขันตั้งห้าเนี่ยไอ้ที่ไม่เที่ยงก็มีนะที่เที่ยงก็มีนะไอ้ที่ไม่ทุกข์ก็มีที่เป็นอัตตก็มีนะนะไม่ใช่ว่าขันตั้งห้านี่มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาหมดนะสุรพลพันธ์นี่ก็ได้ฟังก็แปลกใจเอใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไม พระพุทธเจ้านี่กลับคำนะวิสัยของพระพุทธเจ้านี้ย่อมไม่กลับคำจัดคำไหนเป็นคำนั้นก็ เ, เลยสงสัยว่านี่จะเป็นพระพุทธเจ้าตัวจริงหรือเปล่านะแล้วก็สุรัมพายก็พอมีความรู้อยู่บ้างว่าเนี่ยปรัปัาของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งก็คือมารก็ เ, เลยถามไปเลยนะว่าท่านคือมารใช่ไหมมารตกใจมากเลย ใ้พระเตยปิดกว่าเนี่ยเหมือนกับขวานผ่ากลางศีรษะเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้เมื่อวานเนี่ยสิ่งที่มารกลัวคือกลัวรู้ทันเพียงแค่บอกว่าเนี่นานมารผู้มีบาป ร, รู้จักท่านอย่าไปคิดว่าเราไม่รู้จักท่านนะแค่นี้มารก็เสียใจนะพ่ายแ พ, ยพย้โดยดีไอ้มานี่ดีอย่างนะไม่โกหกพอสุรรมพัดถามว่าท่านคือมารใช่ไหมนะมารก็ตอบว่าใช่แล้วนะ สุรัมพัดก็เลยพูดตาหนิมาร น, นะพูดตําหนิมารหลายอย่างเลยนะว่าเป็นผู้ที่มาทําใหนะ้เกิดความไข้แผลแล้วก็ลไล่มารไปมารก็ไปโดยดีนะเพราะว่ามีคนจับได้ไล่ทันละแล้แลมา น, นี่ก็มีคุณธรรมเหมือนกันนะคือถ้าไล่แล้วก็ไปนะโดยเพราะถ้ารู้ทัน ตอนหลังผู้เจ้าเนี่ยเมื่อได้ทราบเรื่องนี้ก็ก็เลยสรรเสริญสุรรมพัฒนแล้วก็ยกให้เป็นเอตทัคคะด้านศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวพวกเราเนี่ถ้าเกิดว่าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับสุลรรมพัฒนนี่ถ้าหากว่ามาที่จำแรงมาในรูปผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยที่เมื่อกี้พูดผิดนะขันทั้งห้านี่ที่เที่ยงก็มีนะที่เป็นสุขก็มีที่เป็นอัตตก็มีนะ ถ้าเ <S an> ชื่อว่าก็คงจะเชื่อนะจะเชื่อตามที่มาที่จําแรงกายมาพูดอย่างนั้นยิ่งมีศรัทธาอยู่แล้วศรัทธาในผู้เจ้าเนี่ยธรรมดาคนที่ศรัทธาเนี่ยศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาในหรือศรัทธาในผู้เจ้าเนี่ยถ้าเกิดผู้เจ้าพูดอะไรก็เชื่อแต่ว่าสุรัมพัฒไม่ใช่คนอย่างนั้นนะท่านนม้จะมีศรัทธาแต่ก็มีปัญญาด้วย ก็คือไม่ได้เชื่อด้วยความงงง่งายแม้คนที่อยู่ข้างหน้านี้นะมาในรูปพระกุศลนี่ก็ไม่ยอมเชื่อง่ายๆนะมีการตั้งคําถามมีการทักท้วงในใจว่าเอ๊ะพระกุศลนี่ไม่น่าจะกลับคํานะหรืออาจจะมีความทักทักท้วงในใจเพราะว่ามีความเข้าใจในธรรมละก็รู้ว่าขันธ์ทั้งห้นี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกไปอนัตตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่า คนที่อยู่ข้างหน้านี้มาพูดแบบนี้แสดงว่าไม่น่าจะใช่แล้วอันนี้เราเป็นผู้ที่มีวิจารณญาณ น, นะถึงแม้จะมีศรัทธาแต่ก็เป็นศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญานะเมื่อประกอบด้วยปัญญานี่ก็หมายความว่ามีวิจารณญาณไม่เชื่ออะไรง่ายๆแม้ว่าผู้ที่มาพูดอยู่ต่อหน้านี้ถ้าทางเมนครูบาอาจารย์ถ้าทางเหมือนพระบรมศาสดา อันนี้ก็เป็นแบบอย่างของชาวพุทธนะแบบอย่างของชาวพุทธคือว่าไม่ได้เชื่อง่ายๆซึ่งอันนี้เนี่ยก็พระเจ้าก็เคยพูดไว้แล้วนะสอนไว้แล้วนะว่าหลักในการที่จะพิจารณาหรือเชื่อแล้วก็ตามเนี่ยมันก็มีหลักที่เรียกว่าการาม ส, สูตรสิประการอย่าเชื่อพเพราะเสียงเล่าลืออย่าเชื่อเพียงเพราะนับถือสืบสืบกันมารวมทั้งอย่าเชื่อเพียงเพราะว่า ผูพ้พูดเป็นครูของเราหรือว่าผู้พูดนั้นเป็นสมณะนะเป็นครูของเราเพียงแค่ว่าเป็นครูนับถือเป็นครูนี่ไม่ใช่ว่าพูดแต่แล้วจะเชื่อไปได้ทุกอย่างต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งก็บอกว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามีรูปลักษณะอาการที่น่าเชื่อถือก็น่าเชื่อถือนะเพราะว่าผู้ที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คือพระพเจ้านะครองบาศ เหมือนกับที่เมื่อเห็นเมื่อสักครู่เลยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเห็นอย่างงี้เนี่ยก็จะเชื่อแล้วคล้อยตามว่าเออเมื่อพูุ้ทธเจ้าบอกว่าขันธ์ทั้งห้าที่เป็นที่เที่ยงก็มีสุขก็มีที่เป็นอัตต ก, ก็มีงั้นเราก็เชื่อแล้วกันถ้าเชื่อ น, นี่ก็เสร็จเลยนะก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากอำ น, นาจของมารได้งั้นเราลองถามตัวเองนะาเออถ้าเราเป็น อย่างสุลัมพัทเนี่ยมีคนมาพูดนะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเอาเอาว่าเป็นพระสารีบุตรพระโมคคาราเนะี่ยท่านพูดอะไรก็คงจะเชื่อแต่นั่นไม่ใช่วิสัยชาพูทนะวิสัยชาพูทเนี่ยนะก็ต้องมีวิจารณญาณว่าไม่ใช่เชื่อเพียงเพราะว่าผู้พูดเป็นครูของเรานะหรือว่าไม่ใช่ไม่เชื่อเพียงเพราะว่ารูปลักษณะอาการน่าเชื่อถือเราต้องไต่ตรองนะ บางเอินนะอสุรลพันธ์ที่ท่านก็มีปัญญาและธรรมที่ท่านได้เข้าใจเนี่ยนะก็ทําให้สามารถมาไตรตรองได้ว่าสิ่งที่มารพูดมาในในคราบของพทธเจ้าเนี่ยมันมันไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นนะเป็นแบบอย่างที่ดีนะหรือเป็นบทเรียนนะสำหรับชาวพุทธนะว่าจะเชื่ออะไรง่ายๆนะ แม้ว่าคนที่พูดนั้นจะดูเหมือนจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามเดีย๋ยวนี้เนี่ยเราเชื่อกันง่ายนะเพียงแค่มีคนบอกว่าเนี่ยเป็นพุทธพจน์เป็นข้อความที่ผู้เจ้าตรัสนี่เราก็เชื่อแล้วหรือไม่ต้องเป็นผู้เจ้าหรอกแค่ว่าเป็นคําสอนครูบาอาจารย์ที่เราถือเราก็เชื่อแล้วทั้งที่บางทีอาจจะขัดกับความรู้สึกหรือความรู้ของเราหรือความเข้าใจของเรานี่เราก็เชื่อแล้ว อันนี้เราว่าสอบตกนะเรื่องกล า, ามาสูตรหรือว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาแต่ปราศจากปัญญาก็เลยงมงายที่จริงเรื่องนี้พระเจ้า ก, ก็ให้หลักไว้แล้วนะว่าแม้มีคนมาพูดว่าอันนี้เป็นธรรมะอันนี้เป็นวินัยของพระเจ้าเนี่ยพู้เจากก้าบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะให้ไปสอบทานกับพระสูตรพระวินยัยแม้จะมีคนบอกว่าเนี่ย เป็นข้อความเป็นคําสอนของพัฒเลระที่เป็นพระหูสูตรนะก็อย่าเพิ่งเชื่อก็ต้องไปตรวจสอบกับพระสูตรพระวินัยนะก็คือในพระไตรปิฎกว่ามันตรงกับที่พระเจ้าตัดไว้ไหมถ้าไม่ตรงก็อย่าเชื่อนะอันนี้ก็เป็นก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้นะในการที่จะน้อมใจเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าที่สําคัญก็คือต้อง ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยบางทีสอบทานก็ไม่พอนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสอนไว้ในลักรมมามอสูรว่าจะเชื่อเพียงเพราะว่าอยู่ในตําราหรืออ้างคำภีร์นะบางทีก็ต้องอาศัยประสบการณ์ของเรานะเช่นความรู้ตัวนะความรู้ตัวอย่างเช่นหลวงพ่อคําเขียนนั่นเคยสอนโยมนะโยมให้ยกมือสร้างจังหวะ แต่ก่อนที่ท่านจะสอนนะท่านก็บอกว่าให้เอามือขวาไปควายไว้ข้างหลังแล้วท่านก็ถามว่าเนี่ยมือขวาอยู่ไหนนะคนก็ตอบมือขวาอยู่ข้างหลังหลวงพ่อบอกใช่ที่ไหนแล้วมันมือซ้ายหลังห่างอยู่ข้างหลังพูดอย่างนี้เนี่ยจะเชื่อไหมจะเชื่อหลวงพ่อไหมโยมบอกไม่เชื่อนะเพราะว่ารู้อยู่กับรู้อยู่กับตัวว่ามือขวามันอยู่ข้างหลัง หลวงพ่อก็เลยพูดว่าเนี่ยถ้าไม่เชื่อจะมาเรียนกับอตาตมายอย่างจะมาเรียนกับหลวงพ่อทําไมนะฮะโยมก็สะดุ้งเลยนะฮะเสร็จหลวงพ่อทั้งหัวเราะนะบอกว่าเนี่ยดีแล้วนะนะที่เชื่อตัวเองนะอย่าไปเชื่ออะไรความนี้เนี่ยมันต้องตัวเองเท่านั้นที่จะรู้นะว่าขวาหรือซ้ายบางทีถ้าเราเชื่อครูบาอาจารย์นะก็อาจจะผิดที่ผิดทางก็ได้นะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าท่านสอนผิดหรือว่าไม่ได้เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริง อันนี้นอกจากการการไม่เชื่ออะไรง่ายๆจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในใจเรานี่ก็จะไปเชื่อง่ายเหมือนกันบางอย่างที่มันดูเหมือนว่ามันชัวร์มากเลยนะเช่นความจําเนี่ยความจําในเหตุการณ์บางอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยบางทีก็เชื่อไม่ได้นะัแม้ว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นหลัดๆ เคยมีอาจารย์คนนึงนะเป็นศาสตราจารย์แกสอนวิชาอัจฉรยะวิทยาที่อเมริกาห้องบรรยายแกก็มีนักศึกษานี่เป็นร้อยแกก็บรรยายเก่งนะขณะที่บรรยายเพลินๆอยู่นะนักศึกษากำลังเพลินๆอยู่จู่ๆก็มีผู้ชายหนึ่งวิ่งเข้ามาในในห้องบรรยายแล้วก็คว้ากระเป๋าของอาจารย์เนี่ยแล้วก็รีบวิ่งออกจากห้องไปนักศึกษาตกใจมากเลยนะเห็น เห็นคนมาขโมยกระเป๋าของอาจารย์นี่ต่อหน้าต่อตาตกตะลึงกันใหญ่แต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยตั้งสติหนอนเสร็จแล้วก็ถามนักศึกษาว่าคนที่วิ่งมากระเป๋าเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยช่วยบอกรูปพรรณสันธารทีหน่อยนะว่าสูงเท่าไหร่นะใส่เสื้ออะไรกางเกงสีอะไรนะไม่ต้องถึงขั้รูปร่างหน้าตาเอาแค่รูปพรรณสันฐานและเสื้อ กางเกงเครื่องแต่งกายปอกกัว่านักศึกษาเนี่ยซึ่งมีเป็นร้อยนะว่าไปคนละที่คนละทางเลยนะท่านั่งที่เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่ถึงสองสามนาทีที่ผ่านมาแต่ว่าทำไมแต่ละคนถึงพูดไม่ตรงกันเสาราจา์ก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าความจำของเราเนี่ยมันก็เชื่อไม่ได้นะท่านั่งที่ เป็นความจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีนี่เองนะต่อหน้าต่อตาแท้ๆนะไม่ใช่ได้ยินได้หูนะแต่เห็นด้วยตาด้วยซ้ำก็ยังจำไม่ตรงกันเลยและความจำคนเรานี่ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็มันก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะเเคยมีการทดลองให้อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะ อยู่ที่แถวไฟแถวสีแยกแล้วก็ขณะที่ไฟ ส, สัญญาณจราจรมันเป็นไฟแดงก็มีเหตุการณ์รถชนกันนะต่อหน้าต่อตาเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยในหมู่ผู้สังเกตการกลุ่มนั้นเนี่ยก็มีคนมากระซิบบอกว่าเนี่ไอตอนเกิดเหตุรถชนกันเนี่ยนะ ไฟจราจรเนี่ยนะมันสีเขียวนะบอกว่าหลายคนเชื่อนะพอเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยรถชนกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไฟมันสีแดงหรือสีเขียวหลายคนบอกว่าสีเขียวท่านทงที่เมื่อสักครู่นี้เห็นกับตานะว่ามันสีแดงนะคือความจําคนเรานี่มันอ่ามันถูกบงการแปรเปลี่ยนได้จากจากคนภายนอกมีคนมากระซิบบอกว่าสีเขียวเอาก็เชื่อนะ อันนี้ก็เรียกว่าอไม่ได้ใช้หลักการมาสูบเหมือนกันคือมีคนบอกว่าเขียวก็เขียวทั้งที่เมื่อเมื่อสักครู่นี้ยังเห็นกับตาเลยว่ามันแดงนะแล้วคนเราเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยไอความเชื่อของคนเรานี่แม้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเดียวประดา น, นี่ยังเชื่อไม่ได้นะแต่คนจำนวนไม่น้อยนียน่ก็ไปหลงติดยึดกับความเชื่อของตัวเถียงกันนะไอรถที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยรถปิกอัพคนนึงก็บอกรถปิกอัพอีกคนหนึ่งก็บอกรถเก่ง เถียงกันอยู่นั่นแหละแล้วแต่ละคนก็เชื่อในความจําของตัวบางทีก็ทะเลาะกันเลยนะเผลอๆอาจจะผิดทั้งคู่ก็ได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าเนี่ยความจําของฉันเนี่มันมันไม่คลาดเคลื่อนอันนี้หลายที่พระเจ้าบอกว่าเนะี่ยแม้กระทั่งสัญญามก็เป็นอนิจจังนะสัญญาก็เป็นอนิจจังแล้วก็สังขารก็เป็นอนิจจังในส่วนที่เป็นความจํำนะซึ่งจัดอยู่ในฝ่ายสังขาร มันก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนได้ไอนน้คนเรานี่ถ้าไปเชื่อความจำของตัวเองมากนี่ก็เสียผู้เสียคนได้ไง่ายๆนะเพราะว่ามันอาจจะผิดพลาดก็ได้มันอาจจะถูกคนอ่าเป่าหูให้เราเปลี่ยนใจหรือเราลืมไปเลยนะความทรงจำมันเปลี่ยนไปแต่ถ้าว่าคนเนี่ยไม่เห็นความจริงแบบนี้แนละ้วก็ทะเลาะกัน ทนะเลาะ ก, กันบ่อยมากสามีภรรยาพ่อกับลูกเ <_ t ot> พกื่อนกับเพื่อน <_ t ot> ทะเลาะ ก, กันเรื่องเกี่ยวกับความจําที่มันไม่ตรงกันนะงั้นถ้ากับคนที่มีสติเนี่ยนะเขาก็จะรู้ว่าไอ้ความจํานี่ก็เชื่อไม่ได้นะมันแปลเปลี่ยนไปได้และบางเรื่องเนี่ยคนเราก็ปรุงแต่งขึ้นมานะแล้วก็เชื่อเป็นตัวเป็นตากนะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็น เขาเล่าว่าตอนเด็กๆ เ, เนี่ยอายุสักสิบขวสิบอ็ดขวบเนี่ยที่บ้านเขาเลี้ยงหมายอยู่ตัวหนึ่งหมาตัวใหญ่แล้ววันหนึ่งไม่รู้เกิดไปเกลียดไม่พอใจหมาตัวนี้ยังไงก็เอาไม้กอล์ฟของพ่อเนี่ยฟาดฟาดเนี่ยมันก็สู้นะแกก็เลยฟาดใหญ่ฟาดจนหมานี่ตายเลยเป็นหมาที่แกรักมากแล้วก็เสียใจ ว่าตัวเองเนี่ยไปฆ่าหมาเป็นความรู้สึกผิดที่กัดกินใจมากจนโตแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มาเล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่นิ่งงเลยนะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยไม่เคยเลี้ยงหมาไอ้ตัวที่ว่าเลยไม่เคยเลี้ยงหมาเลยก็เลยบอกกับบอกกับลูกว่ามันไม่จริงนะมันไม่มีไอ้หมาเนี่ย นะแต่ว่าเจ้าตัวบอกนี่จริงสิมะจาได้แม่นเลยนะว่าฆ่าหมากับมือเลยแต่เรื่องของเรื่องคือว่าความจริงเนี่ยมันไม่มีหมาตัวนั้นที่บ้านแล้วเขาก็ไม่ได้ฆ่าหมาด้วยแต่เขาไปฝังใจปรุงแต่งขึ้นมาว่ามันมีหมาตัวนี้ที่บ้านแล้วเขาก็ฆ่ามันแล้วเขาก็รู้สึกผิดเป็นความจําที่ไม่มีอยู่จริงนะปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเด็กคนนี้ก็เชื่อความ เชื่อสิ่งที่คิดว่าเป็นความจำนะเทานั้นที่มันไม่ใช่ความจำมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้มันมีหลักฐานที่ชัดเจนเพราะว่าคนที่บ้านนะพ่อแม่แล้วก็เพื่อนบ้านก็รู้ว่าแต่ไหนแต่ไรมามันไม่ได้ไม่ไม่ได้มีหมาตัวนี้อยู่ในบ้านเลยแล้วไปเอามาจากไหนหมานี่นะมันก็เขาก็มีการพิจารณานะก็พบ ว, ว่ามันก็น่าสนใจนะที่เขาอธิบายก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ย ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยนะเขาก็มีความขัดแย้งในตัวเองมีฝ่ายขาวฝ่ายดําฝ่ายขาวนี่ก็จะเรียกว่าเป็นคนเป็นมีชื่อว่าเจ้าระเบียบก็ได้นะไฝ่ายดํานี่ก็เป็นเพศว่าหยอดแยะนะฝ่ายขาวเนี่ยคอยวิจารณ์ฝ่ายดําอยู่เสมอเธอเคยไปชอบผู้เคยไปชอบผู้ชายนะตอนเด็กๆยุคสิบขวบสิบเอ็ดขวบเนี่ยมันก็มีเสียง ดันะมาตําหนิเธอมาดาว่าเธอเสแสรหายว่าเป็นเด็กไม่ดีอะไรต่างเนี่ยอันนี้แหละนะก็คือฝ่ายขาวที่มันที่มันพยายามที่จะควบคุมฝ่ายดําหรือว่าฝ่ายเหยาะแย่นะแล้วก็เธอก็มีความอยากจะเป็นคนดีนะอยากจะเป็นเด็กเรียบร้อยอยากจะเป็นคนที่อยู่ในระเบียบนะในส่วนลึกของใจของเธอเนี่ยก็คิดว่าเธอจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยเธอต้องจัดการกับไอฝ้ฝ่ายดําฝ่ายเหยาะแยะ่ ก็คือต้องกำจัดมันไอที่เธอเห็นที่เธอจินตนาการไปว่าไปฆ่าฆ่าม้าเนี่ยจริงจิมันก็เป็นตัวแทนของฝ่ายเหยาะแย่นะที่ฝ่ายเจ้าระเบียบนี่ต้องการจัดการจัดการมันจะได้ไม่มาทำให้เธอกลายเป็นคนที่ตามใจกิเลสนะมันเป็นภาพที่สะท้อนมาจากจิตใต้สานึกส่วนลึกนะที่ต้องการกำจัด ฝ่ายดำหรือฝ่ายที่เหยาะแยะชนะาติพูดแบบพวกคือว่ามันมีความติดดีอยู่ในะความติดดีด้ต้องการปราบปรามจัดการกับเจ้าตัวร้ายคนเรานี่มันมีสิ่งนี้เรานี่อยู่ในตัวนะที่จริงเนี่ยมันไม่ต้องกําจัดหรอกนะเพียงแค่รู้ทันแค่ดูมัเฉยๆก็พอแล้วเพียงแค่ดูเฉยๆรู้เฉยๆเห็นทั้งความความความเหยาะแหย่ความขี้เกียจ ความโกรธนะก็ดูมันไปนะไม่ต้องทำตามมันแล้วก็ไม่ต้องตามมันไม่ต้องกดมันไอการกดข่มนี่บางทีก็เกิดปัญหานะมันทำให้เกิดอาการทางจิตแ ป, กแปลกๆหรือพฤติกรรมแปลกๆอย่างมีผู้ชายคนนึงเนี่ยแกเจอสารพภูมินี่เป็นไม่ได้เลยจะเกลียดสารพภูมิมากทั้งเกลียดทั้งโกรธอยากจะไปทำร้ายตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าทาไมถึงเกลียด ถึงโกรธสารพรภูมิขนาดนั้นนะก็เลยไปปรึกษาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็ให้เล่านะเล่าเกี่ยวกับเรื่องประวัติของตัวเองแล้วก็ไปพบปมปมที่ว่าคือว่าแกเคยมีปัญหากับพ่อแล้วทะเลาะกับพ่อมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงพ่อก็ด่าด่าเฉยหายชายหนุมนั้นสมัยเป็นวัยรุ่น ก็อารมณ์ฉุนเฉียวนะถูกดานี่ก็โกรธถึงขั้นที่อยากจะต่อยพ่ออยากจะทำร้ายพ่อแต่ก็ห้ามเอาไว้ได้แต่ถึงแม้จะห้ามเอาไว้ได้เนี่ยในส่วนเรื่องของจิตใจมันรู้สึกผิดนะว่าเรานี่แย่มากนะเราอยากจะทำร้ายพ่อเราโกรธเรากรเรากลียดพ่อไอความติดดีในใจเนี่ยมันยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ย อยากจะทาร้ายพ่อคนดีเขาไม่มีความคิดแบบนี้ไม่มีนิสัยแบบนี้ก็ไปกดข่มไอ้ความโกรธความเกลียดหรือกดข่มไอเหตุการณ์นั้นเอาไว้ไม่ยอมรับว่าเนี่ยเคยโกรธเคยเกลียดพ่อไม่ยอมรับความจริงว่าความโกรธความเกลียดมันยังมีอยู่เพราะว่าคนดีนี่เขาไม่ทำกันอย่างนั้นก็ไปกดมันเอาไว้แต่กดเอาไว้นี่มันไม่ได้หายไปไหนนะมันก็ไปออกทางสาพบุรแทน เอาโกรธพ่อเกลียดพ่อไม่ได้ก็ไปเกลียดสามภภูมโกรธสามภภูมิแทนนะเรื่องนี้เนี่ยจะหายไปได้อย่างไรนะพฤติกรรมนี้จะหายไปได้ยังไงก็ยอมรับซะว่าเออเราก็มีความโกรธความเกลียดจะเรียกว่าแต่อย่ามองว่ามันเป็นเราก็ไม่ใช่นะที่จริงมันแค่มีความโกรธความเกลียดอยู่ในใจไม่ใช่เราโกรธเราเกลียดถ้าไปมองว่าเราโกรธเราเกลียดเมื่ อ, อไหร่นี่ก็มันก็อยากจะกดขม่มความรู้สึกนี้เอาไว้ แต่ถ้ามีสติเฝ้าดูเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เห็นความโกรธความเกลียดที่มีต่อพ่ออยู่ในใจก็ดูมันไปเฉยเดี๋ยวมันก็หายไปเองก็เหมือนกับกรณีผู้หญิงเนี่ยเด็กคนเนี้ยนะไม่ใช่เด็กแล้วเป็นหญิงสาวเนี่ยแกก็มีมันก็มีตัวตัวร้ายหรือว่าฝ่ายดำฝ่ายหยอะอยาอยู่ในใจเด็กก็ใช้วิธีพยายามไปกดมันเอาไว้ หรือพยายามฆ่าหรือกำจัดนะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้หายไปไหนนะมันก็คอยมาเกาะ ก, กวนถ้าเธอแต่เพียงแต่ว่ารู้ดูมันเฉยๆนะแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วสติสําคัญมากนะถ้าสติเรามีสติเนี่ยเราจะไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆใครพูดอะไรมาก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อทีเดียวมันทําให้เราไม่ใช่เป็นคนหูเบาสติทําให้เรามีวิจารณญาณได้ยินอะไรมาก็ไม่ได้เชื่อปั๊บ ยิ่งสิ่งที่ได้ยินมามันตรงกับความคิดความเห็นของเราคนธรรมดาก็จะเชื่อทันทีนะผู้เจ้า ก, ก็ตัดเวลาวนาะอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันเข้าได้กับความคิดของตัวตคนส่วนใหญ่นี่ความอะไรก็ตามที่ได้ยินได้ฟังมาเข้ากับความคิดของตัวเกลียดคนคนหนึ่งแล้วพอได้ยินเรื่องราวที่ไม่ดีของคนคนนั้นก็เชื่อเลยทั้งที่อาจจะเป็นความเท็จก็ได้นะ อันนี้เรียกว่าไม่มีวิจารณญาณสอบตกเรื่องกลธรรมสูตรในข้อที่ว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะมันเข้าได้กับความคิดของตัวแต่ว่าถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะไม่ยอมเชื่อ ง, ง่ายๆมันจะมีการทักท้วงว่าจริงหรือเปล่านะไม่ใช่แค่สิ่งที่ได้ยินเท่านั้นสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่คิดขึ้นมาก็ไม่เชื่อ ง, ง่ายๆเวลาเห็นใครท่าทางมีพิรุษให้เขาติดตามเราไหมเขา โกรธเราหรือเปล่าคนบางคนนี่ก็จะเชื่อง่ายนะว่าเนี่ยคนเนี่ยเขากาลังตามเราเขากำลังมีพิรุษเขาประสงค์ร้ายกับเราพอมีความเชื่อแบบนี้แล้วนะเห็นเขาทําเห็นเขาพูดเห็นเขาเดินก็มันมีพิรุษเป็นหมดหรือบางคนเนี่ยทําของหายแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยคนพนักงานทําความสะอาดออกไปเอาสายสร้อยไปเอาโทรศัพท์ไปเอากระเป๋าเงินไป พอเชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเห็นเขาทำอะไรมันก็มีพิรุธเป็นหมดเอ๊ะเดินเนี่ยเหมือนคนมีพิรุธพูดจาเหมือนคนเหมือนคนเป็นขโมยนะท่าทางออกมานี่มันก็ดูมีพิรุธเป็นหมดนะอันนี้ก็เรียกว่าไปเชื่อความคิดของตัวแล้วความคิดของเรานี่ก็เชื่อไม่ได้นะต้องรู้จักทักท้วงความจำก็เหมือนกันนะไอ้ที่ว่าจา จำได้ดีจำได้แม่นเนี่ยก็ต้องทักท้วงน้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้อาจจะปรุงแต่งขึ้นมาสตินี่มันช่วยทำให้เราไม่เพียงแต่ทักท้วงไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะมันยังช่วยทำให้เราตรวจสอบหรือว่าไต่ตรองด้วยแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเพียงแค่สติเนี่ยเป็นผู้ดูเฉยๆเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะละ ดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์จะเป็นบวกหรือลบแค่ดูเฉยๆนี่มันก็ช่วยได้เยอะแล้วเนะีแลวที่จริงเรื่องดูนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะมันเป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยสามารถจะทำได้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าเรารู้จักดูรู้ทันอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ย มันจะคลองใจเราได้ยากไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบก็ตามนะอารมณ์ลบนี่มันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะเช่นความโกรยความเศร้าความเกลียดความรู้สึกผิดเนี่ยมันก็กัดกินใจบีบคั้นใจเผาลนใจอารมณ์ที่ดีมันก็ไม่ใช่ว่าจะจะไม่มีโทษนะความดีใจก็ทำให้เราประมาททำให้เราเพลินเผลอไปได้นะ ดีใจนะได้เจอแฟนได้คุยกับแฟนเพลินเลยไม่ระมัดระวังเวลาขับรถนะก็เลยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเดินอาจจะเดินเดินเตะ ก, ก้อนหินหรือว่าสะดุดลุมก็ได้เพราะว่ากำลังเพลินอาจจะไม่ได้เพลินเพราะได้คุยกับแฟนแต่ จ, จะเพลินเพราะว่ากำลังฟังเพลงอยู่นะมันก็ได้ทั้งนั้นนั้นอารมณ์บวกอารมณ์ลบนี่มันก็ไม่ใช่ว่า ถ้าเราปล่อยให้มันคลองใจนะไม่มีสติมันก็อาจจะเกิดผลเสียได้ต้องหมั่นดูใจของเราอยู่เสมอหลวงพ่อประสงค์ปริปุโนโนท่านเล่านะอันนี้น่าสนใจท่านไปบรรยายแล้วก็เจอเด็กคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงอายุแปดขวบเด็กน่ารักท่านก็เลยคุยกับเด็กคนนี้เด็กก็สนใจต้อตอบก็ฉาดฉานท่านก็เลยก่อนที่ท่านจะกลับเครื่องก็เลยบอกว่าเนี่ยเออหนูน่ารักนะ เดี๋ยวพระอาจารย์นี่จะให้รางวัลแล้วท่านก็หยิบลูกประคำจากย่ามเด็กพอเห็นนี่ก็รองอูู้เลยนะหลวงพ่อก็ถามว่าหลวงพ่อประสงค์ก็เลยถามว่าที่รองอูู้เนี่ยหนูเห็นอะไรเหรอตัวตอบว่าไงหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะหนูเห็นข้างในมันดีใจไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นรูกประคำนะเห็นข้างในมันดีใจถึงลองอูู้ หลวงพ่าะสงค์นกึกคถามตอบว่าหลวเห็นมันแล้วเนี่ยทํายังไงกับมันหรือเปล่าตัวาตอบว่าเปล่าค่ะแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้มันเบาลงแล้วความดีใจมันเบาลงแล้วนี่เด็กแปดขวบนะพวกเราทําได้แบบนี้ไหมเห็นความดีใจนะบางทีไม่ใช่ไม่ต้องอพอเห็นรูปรคำนี่ใจก็ไปอยู่ที่รูปกรคำแล้วไม่เห็นใจของตัว หเหมือนกับพระที่เขาเถียงกันนะที่ในเกร็ดประวัติของท่านเวรหลงังเถียงกันว่าเนี่ยใบเอธงไหวหรือลมไหวนะจนกระทั่งท่านเวรหลังต้องมาพูดว่าเนี่ยใจของท่านต่างหากที่ไหวคือเถียงกันจนลืมลืมดูใจนะแต่เด็กคนนี้นี่แกเป็นเด็กที่เอฉลาดนะไม่รู้ว่ใครสอนนะแต่ว่าเธอเนี่ยสามารถที่จะเห็นใจของตัวเองไม่ใช่แค่เห็นความดีใจเท่านั้นนะ พอหลวงพ่อประสงค์ถามว่าแล้วทําอะไรกับมันเธอบอกว่าก็ดูมันเฉยๆเด็กคนนี้อาจจะไม่เคยดยีหลวงพ่อคำเขียนพูดว่ารู้ซื่อหรือว่ารู้เฉยๆนะแต่ว่าสิ่งที่เด็กทําเนี่ยมันคืออันนี้เลยนะคือดูมันเฉยๆเพราะดูมันจะเฉยเป็นไงความดีใจก็ค่อยๆสงบลงแล้วเด็กก็เห็นได้นะว่าความดีใจมันเบาลงเด็กเห็นความความไม่เที่ยงของอารมณ์ดีใจว่าเมื่อกี้นี่มันยังพองฟูอยู่เลยตอนนี้มันเบาลงแนละ้ว ้เด็กเนี่ยนะเราจะคิดว่าเขานะไม่มีความสามารถในการที่เจริญสตินะจริงๆเขาสามารถที่จะเจริญสติได้ได้ได้ได้ดีกว่าผู้ใหญ่ก็ด้วยด้วยซ้ำเพราะว่าเด็กนี่เขาใสเขวซื่อนะเขาไม่ปรุงแต่งอะไรมากเขาเห็นเขาก็ยอมรับว่าเห็นนะแล้วก็ไม่ไปกดขบมันเอาไว้ก็แค่ดูมันเพราะนั้นเนี่ยนะเรานะลองทำแบบเด็กคนนี้ก็ได้นะ แค่ดูมันเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรกับมันเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสติมันจึงไม่ใช่เรื่องยากนะไอ้ที่ยากเพราะว่าเราทำให้มันมันยากไปเองหรือว่าเราไปปรุงแต่งนะจนกระทั่งไอ้การรูยเฉยๆมันกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอาล่ะคำนี้ก็พูดเท่านี้อา้าวกราบพระ